อย่าไปอ่านหสือแล้วมาถามนะน้ำมันกา ร, ลรลหลวงพ่อยกมางี้โอาเทเแท อ, อวันนี้กับเมื่อวานรู้สึกปฏิบัติได้ดีขึ้นกว่าวันก่อนอเห็นกิเลสมากขึ้นความหลงออแบบวันนี้ตื่นมาก็หันไปดูในการเลยก็หลงหลงตั้งแต่ตื่นเออดีจิตขณะนี้เป็นยังไงตอนนี้ก็ตื่นเตนน้นหน่อยหนึ่งแล้วก็วดไว้กดเอาไว้ดูอกไหม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 เห็นกิเลสตัวไหนเยอะตัวโลภหรือตัวโกรธหรือตัวหลงตัวไหนเกิดบ่อยเอาของจริงนะของจริงไม่ต้องไปนึกหาคำตอบนะมันไม่ค่อยชัดเจนนะคะที่เห็นบ่อยๆคือจิตจะดูจิตจะเฉยๆแล้วก็วิตกเออนั่นแหละให้รู้วิตกนั่นแหละนะจิตใจเราชอบวิตกเราก็รู้เอามันไม่เฉยหรอกจิตไม่เคยเฉยหรอกนะ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 มันเบลอเบลอหายไปเลยลืมกายลืมใจระมัดระวังอันหนึ่งคือการเพ่งของคณจะติดเพ่งนะต้องระวังไหมเพ่งเกิดจากจงใจจะไปดูมันสังเกตไมมตอนเบลร้อนเมื่อกี้เนี่ยใจคลายเห็นไหมเสร็จแล้วพอคิดถึงการปฏิบัติสำมรวมใจก็แน่นอย่างเดิมเลิกสำมรวมไปเลยแล้วทำยังไงให้มันไม่แน่นนะคะทำตัวเป็นลิงไว้สนสนไว้เพราะตัวจริงอะสนนึกออกไม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 อย่างจู้เนี่ยต้องภาวนาบนต้นไม้พอดีนี่ลิงยิ่งกว่าคุณอีกลิงอยู่ตามพื้นไม่ค่อยได้นะไม่ใช่ลิงกุลางอุตังน้องลิงอยู่บนต้นไม้ได้ปีนได้ป่ายแล้วภาวนาดีเอ้าต่อไปคนเก่าๆเชิญยกมือ89ชูไว้เผื่อไม้มันจะไปหาบางคนก็ยกไปอย่างนั้นแหละไม่ได้มีความจำเป็นต้องถามารรมากาหลวงพ่อครับ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 ก็ไปไปปฏิบัติสวดมนต์แล้วก็เดินจงกรมเพิ่มขึ้นก็มีความรู้สึกว่าแบบในชีวิตประจําวันก็จะแบบเห็นกิเลสเพิ่มขึ้นอีกนะคะแล้วก็จะรู้ตัวไวขึ้นกว่าเก่านะคะแต่คราวนี้คือมีลูกชายมาด้วยค่ะลูกชายอยากส่งกันบ้านแต่ก็กลัวกลัวกะกล้าไหนไหนกีนะ่ปีแล้วกี่ขวบสิบขวบกับประมาณห้าขวบเด็กผู้หญิง9้าขวบยังกล้าส่งกันบ้านเลย <c oughs> ลูกเขาก็สวด ม, มนต์ประมาณวันละสินาทีค่ะ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 มันเลยแห้งแรงไปหน่อยพอแห้งแรงแล้วเราเผชิญกิเลสเผชิญอะไรมันก็สู้แบบแห้งๆแต่หนูจะแบบจิตคึกคักเวลาจะมาวัดอ่ะค่ะเอออ้าเบอร์70ขอบพระคุณค่ะอยู่ข้างหลังน้อมมัสการค่ะเอ่อจะถามหลวงพ่อว่า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 เป็นเป็นมโนภาพขึ้นมา อ, อันนีคือมันมันมันเป็ น, ปนสัญญาเป็นสัญญาปกติไม่เป็นความคิดอะไรใช่ไหมใช่เป็นสัญญาผุดขึ้นมาโอ้โครับนะ่ากั2 0้อย่อยู่ข้างหลังลานามสการเจ้าค่ะหลวงพ่อคือลูกก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาปีกว่าแล้วแต่ว่าไม่เคยส่งกันบ้านเพิ่งเคยส่งครั้งแรกค่ะคื อ, อเมื่อสอาทิตย์ก่อนนะคะลูกก็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 แต่ว่ามันจะไม่โล่งก็ช่างมันนะเรามีหน้าที่รู้ทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นค่ะแต่ตอนนี้มันเก่งเก่งเพราะว่าลูกไม่แน่ใจว่าวันนั้นทาถูกเบาเลยเอาหนังสือวิธีปฏิบัติมาทำแล้วมันเลยผิดมันก็เก่งวันนี้ก็เลยเก่งอยู่นะดูไปธรรมชาตินะที่ฝึกอยู่ใช่ได้ไปฝึกอีกร้อยสี่สิบแปดอยู่ที่ไหนเลยสามคนนะร้อยสี่ิบแปด้อยแปดร้อยสามสิบอยู่ข้างหน้าข้างหน้า